ฉะนั้นต่อจากนี้ไปเพื่อที่จะแสดงกุหณวัตถุสอย่างนะกุหณวัตถุก็คือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความหลอกลวงสอย่างที่ท่านท่าธรรมเสนาบดีจึงปรรบไว้อย่างนี้ว่าที่เรียกว่าการส่องเสพปัจจัยดังนี้เป็นต้นในกุหณวัตถุทั้งสอย่างนั้นการที่ภิกษุถูกเขานิมนต์ด้วยปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นทั้งตนเองก็เป็นผู้มีความปรารถนาปัจจัยเหล่านั้นทีเดียว อาศัยความปรารถนาลามกทําให้เขาเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะการปฏิเสธและเพราะการที่ทราบว่าทายกเหล่านั้นเป็นครหาบดีผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในตนเมื่อเขาเหล่านั้นคิดว่าโอพระคุณเจ้าเป็นผู้มักน้อยไม่ปรารถนาที่จะรับอะไรอะไรเลยจะพึงเป็นการได้ดีแก่พวกเราหนอถ้าหากว่าท่านจะรับเอาอะไรอะไรไปบ้างแม้สักเล็กน้อยนะ เราคงจะได้บุญเยอะนะโอ้ท่านไม่อยากได้อะไรเลยนี่ถ้าหากว่าเราได้ให้ท่านบ้างเนี่ยนะสงสัยเราจะได้บุญเยอะแน่นอนเลยว่างั้นดังนี้เลยก็น้อมปัจจัยทั้งหลายมีจีวรที่ปณีตเป็นต้นเข้าไปถวายด้วยอุบายวิธีต่างๆก็แท่งทําให้ปรากฏถึงความเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อคนเหล่านั้นที่จริงก็จะเอานั่นแหละเพียงแต่ว่าอ้าวหลอกซะหน่อยนะเขามีวิธีกลกลวงอะนะ จากนั้นก็รับเอาปัจจัยจําเดิมจากนั้นไปจากนั้นเข้าก็น้อมไปถวายเรื่อยๆอีกกระทั่งด้วยของมากมายหลายเล่มเกวียนไอ้ที่ไม่รับก็คือไอ้ของเล็กๆเนี่ยปฏิษษษเสธไว้ก่อนเนี่ยนะก็เริ่มไม่เอาก่อนหนักๆเข้าเนี่ยโอ้โหเอาเป็นเกวียนเลย น, เนี่ทุกไปเลยมีนะสมัยพุทธกาลมีองค์นึงก็พระอุปนัน t h พระอุปนัน t h เนี่ยเป็นพระที่แสดงเรื่องมักน้อยเรื่องสันโดดู้ผู้ดีมกัก แต่ว่าไปที่ไหนมานี่ก็จะมีเกวียนบรรทุกพวกจีวรให้แกเนี่ยเสรจหมดนะทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะเป็นกูหณะวัตถุที่เรียกว่าการส่องเสพปัจจัยอันนี้คือข้อความสรุปส่วนพิสดารก็คือตามคำ พ, มพีมหานิเทศที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็กล่าวไว้แม้คำนี้ก็กล่าวไว้ว่าถามว่ากูหณะวัตถุที่เรียกว่าการส่องเสพปัจจัยเนี่ยเป็นไงนะ ตอว่าพวกเครือขาบดีทั้งหลายนิมนต์ที่สุขในพระศาสนานี้ด้วยจีวรด้วยบินทบาทเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชและบริขารทั้งหลายเธอนั้นเป็นผู้มีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำต้องการอยู่อาศัยความใคร่จะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งจีวรอยากได้อยู่เอ๊แต่ว่าไอตอนเขาให้ตอนนี้มันยังไม่มากนะัก นะถ้าปฏิเสธไว้สัหน่อยก็จะได้มอกขึ้นกว่านี้อีกก็มีวิธีการก็เลยอยากได้จีวรบินทบบาทเสนาสนะเพสัชบริขารทั้งหลายก็เลยปฏิเสธจีวรเป็นต้นไปก่อนกล่าวปฏิเสธบินทบบาทกล่าวปฏิเสธเสนาสนะกล่าวปฏิเสธคีลานะปัจจัยเภศัชบริขารมาฟังดูวิธีปฏิเสธเขาบอกว่าที่สูงนั้นจะ ก, กล่าวอย่างนี้ว่าประโยชน์อะไรแก่สมมนณะด้วยจีวรมีค่ามากเอ้ยนั่นมันแพงไปเหมือนกัน ข้อที่สั ม, มณะเนี่ยพึงเลือกหาเศษผ้าอันตราศจากชายที่เขาทิ้งแล้วจากป่าช้าก็ดีจากกองอยากเยื่อก็ดีจากตลาดก็ดีนำมาทำเป็นสังคาติครองอันใดนั่นจึงสมควรบอางั้นเอยของผ้าพวงนี้ผ้ า, ผ า, ผาดีๆตั้งนั้นแหละไม่ควรรอกโนนแต่เดี๋ยวอาตมาจะไปหาบางสกุลเอานั่นแหละมานุ่งมาห่มก็ได้รอกว่างั้นอ่นะโอ้ยอมนี่เชื่อสนิทเลยนะอ้องมีสันโดษจริงๆเลย แต่ว่าแต่อย่าลืมนะองค์ที่ดีๆก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ตั้งความปรารถนาแบบนี้นะพฤติกรรมเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมีเบื้องหลังของการกระทํานั้นนั้นอีกองค์หนึ่งเนี่ยตั้งเพื่อความบริสุทธิ์เขาเรียกว่าขัดเกลาอีกคนหนึ่งเนี่ยตั้งเพื่อเอาให้มากขึ้นนะวิธีการอันเดียวกันเนี่ยแล้วแต่ใครเอาไปใช้อ่ะนะเรียกว่าไอ้โจรก็มีปืนตำรวจก็มีปืน แต่วัตถุประสงค์แตกต่างกันเหมือนกันเรือ ว, วิธีห้ามบินธบาตบอกว่าประโยชน์อะไรแก่สมณะด้วยบินทบาต ท, ที่มีค่ามากข้อที่สมณะพึงสําเร็จการเลี้ยงชีพด้วยก้อนข้าวโดยการเที่ยวสแสวงหาตามมีตามได้อันใดนั่นจึงสมควรเออบินธบาตเดี๋ยวบินฉันเอาเหมนกันประโยชน์อะไรแก่สมณะด้วยเสยนาสนะมีค่ามากข้อที่สมณะพึงเป็นผู้อยู่โคนไม้หรืออยู่ในที่แจ้งอันใดนั่นจึงสมควร เดี๋ยวไปอยู่คนไม่เอาหกันประโยชน์อะไรแกส ม, มณะด้วยขี้ลานะปะจัจใจเภสัชบริขารที่มีค่ามากาข้อที่ส ม, มณะพึงกระทำยาด้วยน้ำมูดเนา่าหรือด้วยชิ้นสมออันใดนั่นจึงสมควรดังนี้นะโอ้ยน้ำพึ่งน้ำอ้อยไม่เอาหรอกเดี๋ยวไปหาสมอดองน้ำเยี่ยวโคนนูน้น เ, เพราะอาศัยเหตุนั้นเธอจึงครองจีวรค่ำค ร, ครเออใช้จริงๆนะ อาจีวรคร่ำคร่ามาใช้บริโภคบินทบาทเศร้ามองเสพเสนาสนะที่โสมโสมเสพขีฬานะปั จ, จัยเภศัตชบริขารที่เลวเวพวกคฤหาบดีทั้งหลายจึงรู้จักภิกษุรูปนี้นั้นอย่างนี้ว่าสมณะรูปนี้มักน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมูปลาลบความเพียรเป็นทุตวาท่กล่าวสารเสริญเรื่องการขัดเกลาทุตวาท่าทุดงนี่เป็นเรื่องขัดเกลาใช่ไหม ดังนี้จึงนิมนต์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยจีวอเนี่ยนะ เ, เพิ่มพิ่มเสรนะศรัทธามันแรงขึ้นเหมือนกันเถอะแล้วก็เอาจีวอนบิณฑบาตเสนาสนะขีลานะปัจจัยเพภสัชบริขารภิกษุนั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่านะเห็นว่าพอสมควรกับการรับได้แล้วก็มีเทคนิคใหม่อีกกนะ็บอกว่าเพราะความพร้อมหน้าแห่งวัตถุทั้งสอย่างกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมประสบบุญมากนะไปยกข้อความที่เป็นพระสูตรในติการนิบาตนะ พูดเหมือนคำภีเป๊ะเลยนะแต่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งความหลอกลวงะนะคือเพราะความพร้อมหน้าแห่งศรัทธากุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมประสบบุญมากครังนั้นถ้ามีศรัทธาทำบุญนี่มีบุญมากนะเพราะความพร้อมหน้าแห่งทายธรรมกุลบุตรเนี่ยนะก็ย่อมประสบบุญมากเพราะความพร้อมหน้าแห่งทักษินายะบุคคลกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมประสบบุญมากก็ศรัทธาของพวกท่าน นี้มีอยู่ทีเดียวนะตอนนี้ศรัทธามีแล้วทยยรรมก็มีอยู่พร้อมและปฏิคาหกคืออาตมาก็มีอยู่ด้วยนะอย่างเงี้เสร็จอตมาใช่อย่างเงี้ยบอกว่าถ้าหากว่าอาตมาจาักไม่รับไว้ไซเมื่อเป็นเช่นนี้พวกท่านก็จะเป็นผู้ไกลจากบุญไปเสียแม่นีน่ทําไม่รับให้เดี๋ยวโยมอดบุญกันนะผู้ดใดคนได้ให้นี่ปลืม้มใจขึ้นไปอีกไหม อาตมาไม่มีความต้องการด้วยของนี้นะแต่ว่าเพื่ออนุเคราะห์ท่านทั้งหลายหรอกนะอาตมาจะขอรับไว้ น, นะรับไว้เพราะสงสารแล้งนั้นจะได้บุญกัน น, นะเพราะอาศัยเหตุนั้นจึงรับเอาจีวรมากบ้างรับเอาบินทบาทมากบ้างเสนาสนะมากบ้างเภสัตชบริการมากบ้างนะอันนี้ลักษณะนี้เรียกว่าหลอกลวงด้วยการปฏิเสธปัจจัยคำว่าไง บุคคลผู้ตีสีหน้าการหลอกลวงความประพฤติหลอกลวงภาวะแห่งบุคคลผู้หลอกลวงที่เป็นเช่นนี้อันใดนี้เรียกว่ากุหนะวัตถุที่เรียกว่าการซ่องเสพ ป, ปัจจัยการซ่องเสพปัจจัยถามว่าถ้าเป็นลักษณะนี้อา้าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครดีใครไม่ดีละ่ะเราเอาอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบละ่ะก็ต้องเอาสูตรที่พระองค์ตรัสกับพระเจ้าประเซนที่โกศลใช่ไหมว่าเรื่องศีเนี่ยเนีย ต้องอยู่ร่วมกันนานๆจึงจะรู้ว่าใครมีศีลไม่มีศีลแล้วก็บอกว่าคนมีปัญญานะจึงจะรู้ได้เพราะคนมีปัญญาเขารู้เรื่องศีลเป็นอย่างดีและเมื่ออยู่กับบุคคลนั้นๆนานๆเขาจะรู eine, Jenny, ้ว่าใครมีศีลและไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้เอ๊เห็นใครมาทําลักษณะนี้เอ๊นี่หลอกลวงอย่างละก็ไม่ได้ว่าควรไปคิดลักษณะนั้นแต่ก็ในเรื่องศีลเป็นต้นเนี่ยนะก็เอาที่เจตนาเป็นต้นนั่นแหละมามาจับเนี่ยนะ ถ้าหากว่าท่านเห็นท่านมีพฤติกรรมในลักษณะนี้เป็นต้นถ้าเราสงสัยเราก็ถามนะนะเราก็ถามได้ใช่ไหมเราศึกษาเรื่องศีลเป็นต้นเราก็เอาธรรมะเหล่านี้มาถามถ้าท่านตอบไม่ตรงประเด็นเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไม่ใช่ไปเที่ยวโพนทนาย ก, ก็เหมือนกันนาหนักหนาเหมือนกันนะต่อไปนะข้อที่2นะวิธีหลอกลวงแบบที่2สองเรียกว่าหลอกลวงด้วยการพูดเรียบเคียงเขาว่าไง เบอกว่าส่วนการทําให้เขาเข้าใจคลาดเคลื่อนนะฮะหลอกลวงด้วยเรียบเคียงก็คือทําให้เขาเข้าใจผิดโดยประการนั้นด้วยวาจาแสดงการบรรลุอุตริมนุสธรรมทำอันยิ่งของมนุษย์เนี่ยนะมนุษธยธรรมก็คือกุศลกรรมรบท10บฌานอภิญญามัชผลสูงขึ้นไปนี้เขาเรียกว่าอุตริมนุสธรรมคือเหนือมนุษย์อ่ะเหนือเทวดาไปเกิดเป็นพรหมเลยนะหรือว่าเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อ น, นิพานก็ เ, เลยเรียกว่าอุตริมนุสธรรมนะก็ ประกาศวาจาเกี่ยวกับอุตริมนุสธรรมเนี่ยนะของภิกษุซึ่งเป็นผู้มีความปรารถนาอันเป็นบาปหรือลามกพึ่งทราบว่ากุหนาวัตถุที่เรียกว่าการพูดเลียบเคียงเหมือนอย่างที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ในคำภีมหานิเทศว่าในกุหนาวัตถุสมอย่างนั้นถามว่ากุหนวัตถุที่เรียกว่าการพูดเลียบเคียงเป็นไน ตอบว่าพี่สุบางรูปในพระศาสนานี้เป็นผู้มีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำประสงค์ความยกย่องว่าชนจักยกย่องเราโดยอาการอย่างนี้เนี่ยนะต้องการให้เขายกย่องอะ่ะหรือว่าต้องการที่จะให้เขานับถือด้วยอาการอย่างนี้จึงกล่าววาจาอิงอริยธรรมกล่าววาจาอิงโลกุตระธรรมนะอริยธรรมก็คือโลกุตระธรรมพูดว่า ภิกษุรูปใดครองจีวรเช่นนี้ภิกษุรูปนั้นเป็นสมณะผู้มีศักย์ใหญ่ น, นะนี่นะองค์ใดที่ใช้จีวรแบบนี้นะองค์นี้เนี่ยโสดาสกธ า, าคาอนาคาก็ว่าไปนี่นะหรือจะพูดว่าภิกษุรูปใดใช้บาทโอโลหะเนี่ยนะกระบอกกรองน้ําผ้ากรองน้ํากุญแจรัตคดรองเท้าเช่นนี้ภิกษุรูปนั้นเป็นสมณะผู้มีศักย์ใหญ่ นะพระที่ใช้แบบนี้แบบนี้มีคุณธรรมสูงนะนะนะหรือพูดว่าภิกษุรูปใดมีอุปชามมีอาจารย์มีภิกษุผู้ร่วมอุปชามมีภิกษุผู้ร่วมอาจารย์มีภิกษุผู้เป็นมิตรมีภิกษุผู้รู้จักการมีภิกษุผู้คบหากันมีภิกษุผู้เป็นสหายเช่นนี้นะนะพระภิกษุรูปนี้มผู้มีศักดิ์ใหญ่นะศักดิ์ใหญ่ในที่นี้ก็หมายถึงพวกโลกุตระธรรมหรือว่ามีฌานเป็นต้นนั่นเอง ภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารเรือนยาวปราสาเรือนโลน้นถ้ำที่เร้นกุฏิเรือนยอดป้อมโรงกลมโรงศาลายาวศาลาเป็นที่บํารุงมนดบโคนไม้ที่เป็นเช่นนี้ภิกษุรูปนั้นเป็นสมณะผู้มีศักดิ์ใหญ่นะนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะภิกษุเป็นผู้แซงสํารวมหนักหนานนะมีวิธีหลอกที่กันหลอกลวงชนิดหนักขึ้นกว่านี้เองนะ อันนี้าก็พูดแบบดูหยาบไปมีวิธีหลอกลวงที่หนักกว่า น, นี้อีกก็บอกว่ า, าแส้งสำรวมหนักหนาก็คือความข่มความดิ้นรนเนี่ยนะคือข่มทางกายข่มทางวาจาอันไม่มีประโยชน์เพราะความเป็นผู้ปรารถนาลามกเนะนี่ยนะเรียกว่าเก็บซ่อนพฤติกรรมที่ไม่ดีเกลี้ยงหมดเลยแล้วก็เป็นผู้ที่มีทุลีที่น่าเกลียดชื่อว่ากรโรชะเรียกว่าผู้มีทุลีน่าเกลียดนะนะเรียกว่าสำรวมหนักหนา ตีสีหน้าหนักหนาหวังกันตีสีหน้าเป็นอริยะไม่รู้ว่าตีตีได้ยังไงนู้นนะตีเป็นยังไงนู้นีหน้าอริยะนึกไม่ออกเลยนะลวงเข้ามากเข้าพูดปอยซ้ําเข้ายอนี่ยอตัวเองนะยอขึ้นยอขึ้นยกขึ้นเสนอหน้าตัวเองเข้าไปกล่าวคาถาอันเกี่ยวข้องด้วยโลกุตระและสุญญตาที่ลึกซึ้งนะนะอะไรที่มันลึกซึ้งอะนะฟังแม่น่าจะมีอยู่ในท่านแน่นอนไอ้ธรรมะเนี่ยนะ อันนะที่ลึกลับที่ละเอียดที่ปกปิดเช่นนี้ว่าสมณะรูปนี้ผู้ได้วิหารสมาบัติที่ละเอียดเช่ น, นเช่นนี้เหล่านี้ดังนี้นะโอ้องค์แบบนี้เขามีคุณธรรมแบบนี้นะแล้วก็บอกว่าวิธีหลอกลวงแบบนี้นะหลอกลวงยุคใดสมัยใดประสบความสำเร็จหมดเลยเท่าที่เท่าที่ศึกษาประวัติศาสตร์ทางทางศาสนาเราเนี่ยนะใช้วิธีพวกนี้เนี่ยนะจะประสบความสาเร็จกันเกือบหมดเลย แล้วคนจะถ้าใครวางพวกแก๊กแบบนี้ได้นานเนี่ยนะคนก็นับถือมากนะงั้นะ เ, นา อ, านนเอาวิธีพวกนี้ไปใช้ส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จนหเพราะว่าในอบัตปาราชิกสี่ข้อเนี่ยนะปาราชิกประเภทอวดอุตริมนุ ษ, ษธรรมคนยกย่องคนนับยอมรับแต่ถ้าข้อหนึ่งเนี่ยไม่ยอมรับคนรังเกียจ ม, มาก ในบรรดาปราชิกทั้งหมดนะคนหนึ่งคนเกลียดที่สุดอ่านะข้อสี่น่ารักที่สุดคนจะชอบข้อสี่เป็นพิเศษอยนัเพราะฉะนั้นค่ายที่ตั้งตั้งหลอกลวงขึ้นมาเนี่ยจะเอาเกี่ยวกับเรื่องข้อที่สีเนี่ยนะมาเป็นจุดขายของเขานี่นะเกี่ยวกับเรื่องสุญญตาเกี่ยวกับเรื่องโลกุตระธรรมเกี่ยวกับเรื่องฌานมรรคผลอภิญยาเนี่ยนะไปค่ายไหนที่บรรลุมรรคผลไม่ค่อยยากอ่ะค่ายนั้นแหละส่วนใหญ่ก็ ทีนี้เราก็ต้องศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเพราะว่าหมดไปเป็นแสนแล้วก็นี่มันนั่งกลุ่มขมับที่หลังไม่น่าเลยเพราะฉะนั้นโอ้ขนาดว่า ก, ก็บอกว่าถ้าได้ส ม, มณะที่เป็นลักษณะนี่นะกับข้าวกับปลาเนี่ยชนิดที่ว่าตัวเองก็ไม่บริโภคพ่อแม่ก็ไม่ให้กินนะนะะเอาไปทําบุญให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> บุตรทรรยามิตรอมัดญ า, าสาโลหิตไม่ต้องกินกันละทาบุญอย่างเดียวเนี่ยนะ มันจะต้องศึกษาให้ดีๆหน่อยไม่อย่างนั้นก็ตอนหลังก็เราก็บอกโอ้ยมีแต่คนไม่ดีเพราะฉะนั้นการศึกษาพวกนี้เนี่ยนะจะทําให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าสาวกของพระพุทธเจ้าท่านมีศีลท่านไม่มีพฤติกรรมแบบเนี้เวลาเรานึกจะถวายสังฆทานก็นึกหาคนที่มีคุณธรรมแบบนี้นะนึกหาโอ้ภาษาริบุตรไม่มีพฤติกรรมแบบเนี้นะแล้วก็ให้ทานไปยังก็ได้นะจะได้ทําบุญแล้วก็ตอนหลังก็จะได้รักษากุศลเจตนาเหล่านั้นไว้ได้ หรือเขาบอกว่าส ม, มาณะเช่นนั้นส ม, มาณารูปนี้เป็นผู้มีวิหารสมาบัติที่ละเอียดเช่นนี้เหล่านี้ดังนี้การแซงทําหน้าสยิวเนี่ยนะวางหน้าครึ้มชนิดที่ว่าเห็นแล้วเนี่ยนะเห็นแล้วต้องโหมีศรัทธาจริงๆเลยของอามานี่รู้จักมานักละ <c oughs> <c oughs> การแส้งทําหน้าเบ้น้าเบ้คือหน้าเบ้เบเบแบบหน้าศรัทธานะไม่ได้เบ้แบบหน้าเกลียดอนะนะไม่ได้เบ้แบบโทสะแต่เบ้แบบจะล้วงกระเป๋าอะ การหลอกลวงการประพฤติหลอกลวงความเป็นผู้หลอกลวงเช่นนี้อันใดนี้เรียกว่ากุหนวัตถุที่เรียกว่าการพูดเลียบเคียงเนี่ยนะมีวิธีการพูดเช่นนี้ที่ว่าต้องควักอ่ะพูดฟังแล้วหูลึกซึ้งเนี่ยนะส่วนวิธีการหลอกลวงประเภทที่สามมาดูนะหลอกลวงโดยอาศัยอิริยาบถเนี่ยนะอิริยาบถสี่เนี่ยนะก็หลอกสนิทดีเหมือนกัน เขาบอกว่าส่วนการทำให้เขาเข้าใจคลาดเคลื่อนด้วยอิรยาบทที่ทำขึ้นเพราะความประสงค์ความยกย่องแห่งภิกษุซึ่งเป็นผู้มีความปรารถนาลามกนั่นเทียวเพิ่งทราบว่าชื่อว่าก uh ูหนวัตถุอาศัยอิรยาบทเนี่ยนะเอาอิรยาบทเนี่ยมาตั้งในการหลอกลวงเหมือนอย่างที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่าภาษาลีบุตรเนี่ยนะเรื่องเทสนาประเภทนี้ท่านเก่งที่สุดเนยะ เขาบอกว่าในบรรดาไอทากิเลตเพียงดังเนินเนี่ยนะภาษาบุตรเก่งมากเลยนะเรื่องการตั้งจิตไว้ผิดเป็นต้นเนี่ยเพราะภาษาบุตรเนี่ยจะตรวจสอบจิตก่อนนะสมมุติว่าพระมานั่งใกล้ท่านเนี่ยนะคิดอะไรอยู่มีสีหน้ามีท่าทางยท่านจะตรวจสอบหมดเลยนะสมมติว่าถ้าท่านใช้อภินญาเนี่ยนะเลงไปที่จิตแป๊บเนี่ยนะเจ็ดวันมาเนี่ยคิดอะไรบ้างอีกเจวันจะคิดอะไรเนี่ยท่านจะรู้แล้วเพราะฉะนั้นท่านจะเทศดักไว้ก่อนหมดเลย มันถ้อยคำพวกนี้ภาษาทีบุตรโอ้ถากดีจริงๆพระพุทธพจน์นี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะในในคำพีวิพังอ์อ่ะคำภีวิพัง์ตอนไหนนะที่กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยบวกมานะเรื่องอะไรต่างๆเโอ้ถกักสะอาดดีจริงๆอ่ะนะทีนี้ทําให้เห็นอริยคุณของพระริยเจ้าทั้งหลายว่าผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้นี่แหละที่เป็นสารณะของเราไม่ใช่โอ้ไปเก็บเอาที่ไหนไม่รู้มาเป็นสัตวนาอ่ะนะ พอวันหลังดีไม่จริงก็เลยศรัทธาตกหมดเลยถามว่ากูหนาวัตถุที่เรียกว่าการวางท่าสำรวมอิรยาบทเนี่ยเป็นไนตอบว่าภิกษุบางรูปในภาษาสนานี้เป็นผู้มีความปรารถนาลาโมกถูกความอยากครอบงำประสงค์ความยกย่องด้วยอาการอย่างนี้ชนจากยกย่องเราดังนี้จึงวางท่าสำรวมการเดิน วางท่าสำรวมการยืนวางท่าสำรวมการนั่งวางท่าสำรวมการนอนตั้งใจมั่นเมื่อเดินตั้งใจมั่นเมื่อยืนตั้งใจมั่นเมื่อนั่งตั้งใจมั่นสำเร็จการนอนเหมือนเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นเดินอยู่เหมือนผู้มีจิตตั้งมั่นยืนอยู่เหมือนเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นนั่งอยู่เหมือนเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นสำเร็จการนอนอยู่และแทงเป็นผู้เข้าฌานอยู่ตามหนทางเหมงนน เดินเข้าชานให้คนดูเรื่อยเลยนะการวางอิริยาบถอาการที่วางท่าอาการตั้งท่าสำรวมการตีสีหน้าภาวะแห่งบุคคลผู้ตีสีหน้าการหลอกลวงกิริยาที่หลอกลวงภาวะแห่งบุคคลผู้หลอกลวงที่เป็นเช่นนี้อันใด น, นี้เรียกว่ากุหนวัตถุที่เรียกว่าการวางท่าสำรวมอิริยาบทดังนี้ พระพิสูจนที่มีพฤติกรรมในลักษณะนี้เนี่ยที่ท่าตั้งท่าตั้งทางในการยืนเดินนั่งนอนการจงกรมแล้วให้คนคิดว่าฉันนี่มีอริยคุณข้างในเนี่ยนะมีฉันเป็นพระอริยะคนจะได้เลื่อมสายด้วยการเดินการนั่ ง, งการยืนแบบเนี้ท่าตั้งจิตว่าคนจะได้เลื่อมใสายแล้วคิดว่าเราเป็นอริยะบอกว่าเป็นอบัตทุกกฎเนี่ยนะเป็นอบัตทุกกฎทุกกา้าวเดินทุกกา้าวที่เหยียดย่างเนี่ยนะเป็นบัตหมด แตถ้าหวังว่าโอ้โนี่อริยะเดินก็เดินแบบนี้ยนะเดินโชว์ซะหน่อยพวกลักษณะด้วยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยนะอันนั้นเป็นอบัตทุกกฏทุกๆุกก้าวเดินเนี่ยนะถ้าเดินทั้งวันก็เป็นทั้งวันอ่นะยืนแบบนั้นทั้งวันมาขยับตัวเมื่อไหร่ก็เป็นอนะ่ะ เ, <laughs> เข้าฉากเป็นบางตอนๆแล้นะ